ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหง <c oughs> <c oughs> ลายในเรดาเพื่อนพิสุทธ์สมเด็จทั้งหลายสําหรับวันนี้ก็มาฟังเรื่องราวของพระนางสามาวดีต่อแต่ความจริงท่องเรื่องเป็นเรื่องของพระสามาวดีแต่ ว, ว่าตอนนี้เป็นตอนต้นเป็นตอนที่พระเจ้าเทนจะเข้าครองราชเป็นว่ามัาในวันก่อนไปจบลงตอนที่พมานดา เรียกพระเจ้าเทนมาแล้วก็บอกว่าเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าพลันต ป, ปะซึ่งเป็นพระราชบิดาเวลานี้พระราชบิดาสวรรค์นครแล้วแล้วเจ้าจงไปเอาราชสมบัติคืนหมายความไม่ครองราชสมบัติตามเดิม <c oughs> แล้วก็บอกว่าถ้าเข้าไปถ้าเขาไม่เชื่อให้ดูผ้ากรรพลที่พระราชบิดาประทานกัมมันดา แล้วก็ดูแหวนที่พระราชาทานไว้เป็นอันว่าแล้วก็บอกชื่อเสนาบดีผู้ใหญ่ที่ยังจะรู้จักพนางอยู่เมื่อพระเจ้าเทนรุกกูเทนกุมารได้รับฟังจากพระมารดาลแล้วจึงถามพระบิดาลเลี้ยงคือท่านอันละกับปะถามว่าต่อ น, นี้ไปเราผมจะทำยังไงต่อไปครับท่านดาบทก็บอกกูว่าเจ้าจงนั่ง เจ้าจงนั่งที่กิ่งข้างล่างของต้นไม้ร่บนบทนี้แล้วก็ดีดพินสายนี้ช้างนายฝูงน้อมหลังเข้ามาหาเจ้าเจ้าจงนั่งบนหลังของมันและจงไปยึดอะไรจะสมบัตินี่จะยกกองทัพช้างนั้นไปยึดรจะสมบัติ ฝ่ายพระกุมาร น, นั้นถวายบังคมพระราชวีดาและพระรา ช, ชมารดาแล้วก็ทรงทำตามนั้นนั่งบนหลังช้างตัวหัวหน้าที่เป็นนายช้างแล้วก็กระิบบอกช้างว่าข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าพลันตปะในกรุงโกสัมพีขอท่านจงยึดเอาราชสมบัติอันเป็นของบินได้แก่ข้าพเจ้าเถิดฝ่ายนายช้างช้างนายฝูง ฟังคำนั้นแล้วจึงร้องเป็นเสียงช้างว่าช้างจงมาประชุมพร้อมกันหลายหลายพันช้างหลายพันมาประชุมพร้อมกันแล้วร้องอีกว่าช้างแก่ๆจงถอยไปช้างแก่พากัะถอยไปแล้วก็ร้องอีกว่าช้างตัวเล็กๆจงกลับไปแม่ <c oughs> ช้างทั้งหลายเหล่านั้นก็พากันกลับไปแล้ว พระกลุก่มนั้นอันช่างนักรบทั้งหลายทั้งหลายพันพาแวดล้อมแล้วจึงถึงบ้านไปถึงบ้านชายแดนลายเขตแดนแล้วจึงประกาศว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินผู้ปรารถนาสมบัติบุคคลใดต้องต้องการสมบัติจงมากับเราตั้งแต่แบัดนั้นไปก็ทรงทาการรวบรวมบุคคลผู้คนทั้งหลาย ไปล้อมบครไม่แล้วส่งคําขาดมายว่าส่งราชสัญญาไปว่าจะให้เรารบหรือจะว่าจะให้ราชสมบัติบรรดาชาวเมืองทัานหลายก็กล่าวว่าเราจะไม่ให้ทั้งการลบเราจะไม่ให้ทั้งสมบัติคือไม่ให้ทั้งสองอย่างจริงๆแล้วพระราชเทวีของพวกเรามีทันแก่ ผูกนกขัสดีลิงพาไปแล้วเขาทั้งหลายไม่ทราบว่าพ น, นางยังมีพระชนชีพอยู่หรือว่าพ น, นางหาพระชนไม่ได้แล้วพระพนตยัยในการตลอดการที่พวกเราทราบเรื่องราของพ น, นางเราจะไม่ให้การลบระลาชสมบัติหมายความถ้าเขายังไม่รู้เรื่องของพ น, นางพระราล พระบรมราชินีที่ไปยอนกข้าวศีเรียงนาไปถ้ายังไม่รู้เรื่องจริงๆแล้วจะไม่ให้ทางการลบแลไม่ให้ทางสมบัติตามข่าวท่านบอกได้ยินว่าความเป็นความเป็นพระเจ้าบผ่นดินโดยเสืบเชื้อสายได้มีมาแล้วในการนั้นนี่ก็หมายความสมบัติก่อนก่อนการเป็นพระเจ้าแผ่นดินอาจจะไม่มีการสืบเชื้อสายใครมีอํนาออนาจก็ยึดอำนาจเอา แต่ตอนนี้ถือเชื่อสายว่าท่านลูกเขายังอยู่ต้องให้เขาลำดับนั้นพระราชกุมารคือพระเจ้าเทน็นที่ตัดว่าฉันเป็นบุตรของพระนางและก็อ้างชื่อเสนาบดีเป็นต้นเมื่อพวกเขาเหล่านั้นไม่เชื่อถือแม้แตอย่างนั้นจึงได้แสนแดงผ้ากำพลสีแดงและพระธรรมรงพวกชาวเมืองจำผ้ากำพลสีแดงและพระธรรมรงได้ หมดความกินแหนงแข่งใจจึงเปิดประตูเมือ่อแล้วเบสิกกุมารนั้นเป็นไฟในราชสมบัติคือเป็นพระราชาต่อไปนี่รวมความไม่ชีวิตของคนนี่มีสภาพไม่แน่นอนความจริงพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์จะาเรียกว่ากุมารเทนเด็กๆตอนเป็นกษัตริย์จะถือว่าเด็กก็ไม่ได้ เนื ai, ้อแท้จริงๆเป็นลูกแท้ๆเขงพระเจ้าพรลันทาปะกับพระพุบรมราชินีแต่ว่ายังไม่เกิดมาอยู่ในท้องยังไม่เคยมองเห็นเมืองแล้วก็ถูกนกขัสดีลิงนําไปพร้อมกับแม่คือท่านอยู่ในท้องความจริงแล้วใครจะคิดว่าจะมีโอกาสได้ราชสมบัติแต่ความจริงในพระบาลีตอนหนึ่งในทศชาติ ท่บอกว่าคนที่จะเป็นกษัตริย์ได้นั้นต้องเคยบําเพ็ญพรมอาจารย์อย่างอ่อนมาในชาติก่อนหมายความว่ามีการประพฤติธรร ม, มะอย่างดีๆนั้นได้พรมจารย์อย่างอ่อนๆในชาติก่อนมาแล้วยิงจะเป็นกษัตริย์ได้คนที่บําเพ็ญพรมอาจารย์อย่างกลางก็เป็นเทวดาหรือผมได้ถ้าบําเพ็ญพรมอาจารย์อย่างสูงสุดยิงจะไปพระนิพพานได้คํำว่าพรมอาจารย์นี่แปลว่าประพฤติอย่างประเสริฐ ดังนั้นกุเทนกุ ม, มารหรือว่าเจ้าเทนบรมกรษัตริย์องค์นี้ก็เข้าใจว่าในชาติก่อนต้องเคยบำเพ็ญบารมีใน ด, ด้านพรหมาจรรย์มาก่อนจึงมีโอกาสได้รับสมบัติไม่ยากนักตามท่องเรื่องแต่บอกว่าเรื่องของพระเจ้าอเทนท่านหยุดไว้แค่นี้ก่อนต่อไปท่านะบอกว่าเรื่องของสองคนผัวเมียเดินทางไปหาอาชีพ ท่านเคลนต้นเรื่องไปอย่างนี้ด้วยความก็มีอยู่ว่าเมื่อทุพพิกระไพรข้ายากหมากแพงผลแรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นมาแล้วในแคว้นอันลลกปะชายผู้หนึ่งชื่อว่าโก uh ตุฮริกะก็ไม่อาจจะอยู่ได้เช่นที่พาพัญญาผู้มีบุตรอ่อนคือบทลูกเล็กๆนำว่ากาลี จัดแจงเสบียงออกไปแล้วด้วยมุ่งหมายว่าจะไปหากินที่เมืองโกสัมพีอาจารย์บางท่านกล่าวว่าเขาออกไปแล้วในเมื่อมหาชนกำลังตายกันด้วยโรคไอวาบ้างสองคนสองสามีพันญานั้นก็เดินไปเมื่อสเสบียงทางเมื่อสเสบียงสำรับเดินทางหมด หมายความขนาดที่เดินไปเอาสเสบียงไปด้วยมันก็หมดไปกลางทางถูกความหิวก็ครอบงำแล้วไม่สามารถที่นำเด็กไปได้คือมันหมดแรงอุ้มลูกไม่ไหวครั้งนั้นสามียังกล่าวกับพัญยาว่าหล่อนเรามีชีวิตอยู่เราก็ยังหนุ่มยังสาวก็มีโอกาสที่จะมีลูกได้อีกเจ้าลูกคนนี้มันไม่ไหวเราก็หิว แรงก็ไม่มีอาหารก็หมดทิ้งเสียก็แล้วกันนะท่านบอกว่าตามธรรมดาดวงใจของมันดายอมอ่อนโยนเพราะฉะนั้นนางยังพูดว่าดิฉันไม่อาจที่จะทิ้งลกูกที่ยังมีชีวิตยอยู่ได้นั่นก็หมายความเมียไม่ยอมทิ้งเพราะเดือดในอกสามีเมื่อเห็นมาเป็นอย่างนั้นจิ่งคิดว่าเราจะทำอย่างไรกัน ัญญายก็บอกว่าเราเปลี่ยนกันนําไปก็แล้วกันเปลี่ยนกันอุ้มมันดายกลูกขึ้นประหนึ่งยกว่าพวงดอกไม้วางบนวาระของตนวางบนแขนของตน ก, กกไว้ที่อกอุ้มแล้วก็เอาก็เอาให้แก่ให้เอาให้แกหนังสือไม่ต้องพลิกนั้นไม่ได้ความหนังสือท่านไหวอย่างนี้นะ เอาให้แกวิดาเวทนาที่กำลังกาลังม้กว่าความหิวอะไรเนี่ยท่านบอกว่าเวทนาเคยทุกขเวทนานี่มันมีกำลังมากกว่าความหิวทั้งสองอย่างก็มันเกิดขึ้นแกชายผู้เป็นสามีนั้นก็ในที่จีิงเขารับเด็กผู้เป็นลูกนั้นแล้วก็วางลงวางลงเป็นแข็งแล้วก็ผู้กับปัญญานั้นแล้ว ปวดพัญญานั้นแล้วแล้วเราเล่าว่วลววาลอนเรายังมีชีวิตอยู่เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอาจจะมีลูกได้อีกไอ้ลูกคนนี้ทิ้งมันเสถิดฉันนะอุ้มไม่ไหวเต็มทีแล้วพัญญาก็ห้ามเขาพัญญาก็ตั้งหน้าแต่งต า, งต า, งตางห้ามหลายพลั้งแต่ความจริงเจ้าหัวมันทอไ ม, ม่ไหวก็เฉยเมยจะว่ายังไงเขาก็เฉย เด็กถูกเปลี่ยนกันไปตามวาระเียวพ่ออุ้มมั่งแม่อุ้มมั่งเหนื่อยอ่อนก็เลยนอนหลับไอ้เจ้าเด็กมันต้อทนไม่ไหวถูกเขย่าไปเขย่ามาอยู่ในอกพ่อแม่มันเดินอยู่ก็เลยหลับอยู่ในมือเขาวีดาเสำหรับชายผู้เป็นสามีรู้ว่าลูกชายนั้นหลับจึงปล่อยให้มารดาคือพันยาเดินไปข้างหน้าก่อนแล้วก็เด็กนอนไว้บนใบไม้ลาด ใต้ภูมไม้แห่ง ห, หนึ่งแลว้วก็เดินตามไปมันดาสำหรับพัญญาเหลียวหลังมาแลดูไม่เห็นลูกจึงถามว่านายลูกของเราไปไหนสามีก็บอกว่าฉันเอาก็นนอนไว้ใต้ภูมไม้แห่ง ห, หนึ่งพัญญาถามว่านายอย่าทำฉันให้ชิพหายเลย ฉันเว้นลูกเสร็จแล้วไม่อาจที่จะอยู่ได้นายจึงนำลูกของฉันมาเถิดเธอก็ทุบ อ, อกทุบใจขําควรร้องไห้เวลานั้นปลาของชายผู้เป็นสามีจึงกลับเอาเด็กกันมาแต่ว่าลูกนั่นตายเสียแล้ว น, นระหว่างทางนายโกตวอธิกะทิ้งบุตรในฐานะที่มีประมาณเท่านี้จึงถูกเขาทอดทิ้งเจ็ดวาระ พระศัพท์พระสวบ ร, รีท่านบอกว่านายโกฮันิการทิ้งลูกให้ตายแต่ว่าต่อไปกรรมที่เป็นผลสนที่ทิ้งลูกทิ้งลูกให้ตายต่อไปกรรมนี้สนองเขาต้องถูกทอดทิ้งเจ็ดครั้งในระหว่างพบได้ผลเองกรรมนั้นดบริการนี้ชื่อว่าบาปกรรมนี้อบคุคคลไม่ควรดูหมิ่นว่าน้อยสองสามีปัญญานั้นเดินทางไปถึงตระกูลของคนเลี้ยงโค อย่างหนึ่งแล้วอตอนนี้ท่านบอกว่าโกตุวัริกาตตายไปเกิดเป็นสุนัขท่านบอกว่าในวันนั้นมีการทำฝันแม่โคก็ในายโคบาลนายโคบาลนี่แปลว่าคนเลี้ยงโคและคนรักษาโคในเรือนของนายโคบาลมีพระประเจ พ, ะพุทธเิจ้ารูปหนึ่งมาฉันเป็นนิต นายโคมบาล น, นั้นนิมนต์พระบัจจุพระเ จ, เจ้าฉันเสร็จแล้วยังได้ทำการมงคลข้าวปลายาตเขาจัดแจงไว้เป็นอันมากไอข้าวมาทุปลายามันเป็นข้าวที่มีค่าสูงคนร่ำรวยเขากินกันคนจนกินไม่ได้มันแพงนายโคมบาลเห็นสองสามีปัญญามาแล้วถึงถามว่านี่ท่านมาจากไหนเมื่อทราบเรื่องเรื่องราวแล้ว ก็เป็นกุลระบรมีใจอ่อนโยนหมายควาเป็นคนที่มีจิตเมตตาปราณียังที่ทำการสงเคราะห์ในหว่างสามสองส า, ส า, สามีพัญญาบอกให้คนให้ข้าวไปญาติและเลยใสยไเป็นน้ำมากแก่เขาสำหรับพัญญาจึงกลายกป็สามีวันนายเมื่อท่านมีชีวิตอยู่ฉันก็ชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่ ท่านท้องพร่องมานานจงบริโภคตามความต้องการเถิดนี่แสดงว่าพัญญาเนี่ยมีความรักสามีมากกความจริงก็ต่างคนต่างหิวแต่ถ้ว่ายังมีความเป็นห่วงสา ม, มีถ้าอยาให้หัวกินอิ่มก็แล้วกันตัวเองกินไม่อิ่มแล้วไม่ได้กินไม่เป็นไรเมื่อ น, นางว่าอย่างนี้แล้วจึงวางข้าวม า, มาปายยอไว้ข้างหน้าของเขาพร้อมทั้งกับพิยาคือกับข้าวตนเองบริโภคสับ เหลวๆคือค่อ ย, นอ ย, ยเนยใสเหลวๆแต่ันหน่อยหนึ่งเท่านั้นส่วนนายโกตุหนิกะบริโภคมากกินมากไปไม่อาจจะตัดความอยากในอาหารได้เพราะตัวหิวมาตั้งเจ็ดแปดวันสำหรับนายโคมายขั้นให้ขั้นบอกให้คนให้ข้าววัตถุปยากับสองผัวเมียแล้วตนเองก็เริ่มบริโภคกินหมนกัน นายโกตัวนิกะนั่งแลนดูเขาเห็นก้อนข้าวมัปปตุปิยะที่นายโกบาลปั้นให้แก น, นางสุนักซึ่งนอนอยู่แล้วใต้ตังเขายิ่งคิดว่านางสุนัขตัวนี้นะ่ะมีบุญมากจกีงได้บริโภคข้าวมัปปตุปิยะจำเป็นข้าวมีค่ามากเพิ่นปานนี้เป็นเนียงนิดเป็นปกติให้เราเป็นคนทีกไม่มีโอกาสจะได้กินแบบนี้ เขาเวลาเขากินไปเขาก็นึกถึงนางสุนัขมันไปว่ามีวาสนาบารมีมากหลังเลิกจากกินแล้วเขายังคิดถึงอยู่ก็รมหมาแท้ๆยังดีกัเราเสียเป็นคนเวลาตกกลางคืนในโกตัวนิกานั้นท่านบอกว่าไม่สามารถจะทำข้าวมาทุกระญาติให้ย่อยได้เขากินมากไปข้าวไม่ ย, ย่อย จึงถึงเกิดความตายไปเกิดในท้องเห็นเาวสุนัขโดยใช้กิดนึ ก, กนถึงอันนี้สำคัญบรรดาญาโยมพุทธวิษัต์ก่อนจะตายนี่ถ้าใจนึกถึงอะไรไว้มันจะไปเกิดที่นั่นเราถ้าจะแทรกตัวนี้ก็น่าควจะยุ่งครั้งนั้นปัญญาของเขาทำทาการเผาแล้วก็ทำการรับจ้างอยู่ในเรือนนั่นเองได้เข้าสารทนานหนึ่งหงแล้ว เขาใส่บาทพระประเจก็พระพุทธเจ้าแล้วกล่าวว่าท่านเจ้าค่าข อ, อกุศล น, นี้จงถึงแก่ทายของท่านเถิดมันต่างว่าดัางนี้แล้วยิงคิดว่าคนที่เราจะอยู่ที่นี่ที่นี่ต่อไปถ้าผู้กันเจ้าย่อมมาในที่นี่เนียงนิดไทยธรรมจกมีเรือไม่ก็ช่างเถิดเราไหวอยู่นี่ต้องเสียต้องพลิกนะ ต้องบอกว่าเราไหว้ไหว้ท่านอยู่แต่เราช่วยขวนขวายในกิจการงานในการสงเคราะห์ท่านทําใจให้เรื่อมสายอยู่ทุกวันจะประสบบุญจะได้บุญมากเมื่อคิดอย่างนี้แล้วนานยินทําการรับจ้างบรรนา น, นอยู่นั่นเองอ น, นี้คือบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ตอนหน้านี้ก็ขอยับยั้งไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะเวลามันจะหมดรวมความว่าพระเจ้าเทีน ที่เป็นกษัตริย์ได้เพราะอาศัยบุญเดิมคือพรหมจันทร์คำว่าพรหมจันท์ก็คือการประพฤติอย่างประเสริฐนั่นก็คือวันหนึ่งมีทานการให้มีกําลังใจเอื้อเฟื้อเกื้อกูลตัวบุคนผู้ยากจนนุสัดพ้นจากความลำมาก2มีศีลบริสุทธิ์อันนี้มีศีลบริสุทธิ์มีการเรียกว่าความประพฤติอย่างประเสริฐศีลนี่มีความสําคัญมาก ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าสีเลนสุขติงยันติพวกคนมีศีลมีชีวิตอยู่ก็เป็นสุขตายแล้วก็เป็นสุขสีเลนผูกกับสมถะพวกคนใดมีศีลต่อไปเบื้องหน้าจะเกิดใหม่จะมีทรัพย์สมบัติมากสีเลนั้นที่ผู้ติงยันติศีลย่างเข้าถึงความสงบฉนั้นอาศัยที่พระเจ้าเทมบรมกษัตริย์พระบาทเท่าเธอ เป็นผู้มีศีลมาก่อนถึงแม้ว่าจะไปคลอดจากคันมัรดาในป่าก็ตามทีแต่ว่าอาศัยบุญบา ร, รมีที่มีศีล น, นี้แล้วเมื่อข น, นาดอยู่ในป่าก็มีความสุขคือท่านดาวุงเคราะไม่มีกังวล ม, มากสีเลนะโพกัสมมาธาในที่สุดท่านก็ได้ราชสมบัติเป็นกษัตริย์ต่อไปสีเลนนิโพติยติการเทียนได้สมบัติก็ได้โดยไม่มีการรบได้ด้วยความสงบ นี่เป็นปัจจัยของบุคคลที่เคยให้ทานรักษาศีลฉะนั้นขอบรนดาท่านพุทธบริษัททุกท่านและบรรดาเพื่อนพิสุชน์สมานนยิยจงอย่าประมาทความดีว่ามีการเล็กน้อยจะไม่ผลต่อมาก็ไปเรื่องขในโกตุาลิกะในโกตุอริกะกับนางกาลีในความจริงเธอทั้งสองคนก็เป็นคนดี แต่ว่าต้องหนีเอกไปจากบ้านในเวลานั้นเขาพ่อโรคอะฮิวาแต่ก็โรคเกิดขึ้นสมัยก่อนเรื่องโรคหาลงและการเดินทางในบรรดาท่านพุทธบริษัทเมืกี้อันสืออล็อกล็อกคลกแคลกแคลกแคล ก, กมันไม่สนัดนักไม่ได้ดูไว้ก่อนการเดินทางคนจนจะมีอาหารอะไรเป็นมากกับในป่าแต่ว่าเด็กที่ต้องตายเพราะถูกพิดาทอดทิ้งก็ไม่ทราบาไปเป็นกรรมอะไร จะเป็นกรรมนาดีที่เธอต้องพัดทำให้เขาพัดผ้าจากกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบบาลีถ้าไม่ได้บอกไว้ก็ไม่ขอพูดแต่ว่าท่านบอกว่าอาัตไกโกตุนิการนี้อาศัยที่ทิ้งลูกให้ตายในป่า <c oughs> เพราะกรรมที่เป็นอกุศลนี้ต้องทำให้เขาต้องถูกทอดทิ้งเจ็ครั้งเรื่องจะมีข้างหน้า ขั้นก็นมาถึงบ้านในครูบ้านแล้วกินมากเกินไปแต่ความจริงกินไม่ได้ห่วงเมียเมียนี่มีการรักผัวเขาเข้ามาทุบายญาติมาเข้าปลายาตให้เธอหนึ่งชามสงส่วนสําหรับสามีหนึ่งส่วนเธอก็มอบให้สามีทั้งสองส่วนเอาโดยใส่นิดหน่อยแต่กินไปนิดนิดพอชินใจ เจ้าผัวนี่มันลืมนึกถึงเมียคือว่าจิตใจนั้นต้อศึสา ม, มากไปหน่อยกินมากเกินไปอาหารย่อยไม่ไหวจึงตายแต่ว่าก่อนที่เธอจะตายเธอจิตใจเธอเป็นนึกถึงสุนัขเข้าก็เลยไปเกิดในท้องสุนัขตายจากคนเป็นสุนัขเรื่องนี้ก็มีปรากฏในพระธรรมบทคุณธรรมนิกายหลายเรื่อง จ่ยกมาเป็นตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งคือว่าในสมัยพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่เวลานั้นมีพระบวตเข้ามาในสนักขององค์สมเด็จพระบรมครูท่านยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าแล้วบาลีก็ไม่ได้บอกว่าเป็นพระสงฆ์ชันวันหนึ่งท่านอยากจะห่มจีวรแพร ยังได้ไปบอกพี่สาวว่าอยากจะห่มจีวรแพรพี่สาวกว่าจะหามันได้เธอก็ป่วยขณะที่ป่วยจิตก็นึกถึงจีวรแพรเพราะอยากจะห่มมานานก็โอกาสที่ห่มก็ยังไม่มีไม่ช้าไม่นานเธอก็ตายการตายจากความเป็นพระในฐานะที่อยู่กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปฏิบัติดีในด้านศีลพอสมควรน่าจะเป็นเทวดาแต่อาศัยจิตที่นึกถึงจีวรตัวนั้นเป็นเหตุเธอละจากเพศความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นเลนตัวเล็กๆอาศัยอยู่ในตะเข็ของจีวรเมื่อองค์สมเด็จพระสินทรทราบว่าพระองค์ น, นั้นตายจียงให้พระจัยการสมบัติพระกระพระนะัทธาตายไปแล้วของอะไรมีอยู่ตกเป็นของสงฆ์หมด ญาติพี่น้องจะถือว่าฉันมีสิทธิเป็นผู้เป็นทา ย, ยาทผู้รับมรดกก็ไม่ได้ถ้าจะให้กันต้องให้ก่อนตายถ้าไม่ให้ก่อนตายตกเป็นของสงฆ์พระก็มาจัดเข้าของตามที่จะบุงมีก็เป็นเวลานั้นสมเด็จพระจีนศรีทรงบรรทับเป็นประธานออนดีพระองค์หนึ่งไปจับเอาจีวอแพร่เข้าเจ้าเลนตัวนั้นมันร้องตะโกนไ อ, ขอ้ขโมยขโมยปล้นจีวอนขโมยปล้นจีวร พระอื่นไม่ได้ยินแต่พระพุทธเจ้าได้ยินแต่พระอื่นมีก็มีพระปิสมิทายา น, นยาอย่างพ่อโมคลาภาษาดีบทเป็นต้นแต่กําลังว่าสาวกไม่ไดีพอไม่ได้ยินเมื่อเจ้าทรงทราบจึงบอกพระวางจีวร น, นั่นก่อนตายในเจ็ดวันนี้ห้ามมาแตะต้องเมื่อถึงวันที่แปดแตะต้องได้ทั้งนี้เพาอราพระเธอครบเจ็ดวันเล็งก็ตายไปเกิดเป็นเทวดา นีร่ระบรรดาเพื่อนพิสุชำมณีทั้งหลายโดยทุนนารนบรรดาญาโยมพุทธบริษัทการนิองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิสุภักแนะนําให้เจริญพระกรรมฐานทำสมาธิจิตและวิปัสสนาญาณจิตใจพุ่งอะไรใจจะไปอย่างนั้นต่ามกําลังข้องใจเมื่อตายแล้วฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรมทิพแก้วอยู่ในทรงแนะนําว่าจิตของเราควรจะจับพระนิพพานเป็นอารมณ์ เมื่อจิตจับวิญญาณเป็นอารมณ์แล้วแล้วก็ตั้งใจคิดปนสมอวันหนึ่งเราจะไม่ชีวิตเราจะต้องตายสองเราจะยึดคุณพระตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้า พ, พระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งสามเราจะมีสินบริสุทธ์สี่เราม่งหวังวงิัณา์โดยเฉพาะมีความรู้สึกเสมอว่ามนุษย์โลกก็ดีเทวโลกก็ดีพุทโลกก็ดี เป็นของไม่มีความต้องการสําหรับเราเราต้องการจุดเดียวควือนิพันธ์หลังจากนั่งพยายามขัดกลาพิเรฒำลายโลภะความโลภทุศัก์ความโกรธมหะควา ม, มหลงให้ให้ค่อยๆ ย, ย่อยยับไปทีละน้อยๆจน ถ, ถ, ถึงที่สุดถ้าจิตใจของเราในระหว่างเป็นมนุษย์จับนิพันธ์เป็นอารมณ์เข้าใจว่าตายเมื่อไรไปนิพันธ์เหมือนนั้นอรบรนดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตอนท้ายนี้รีบนิดหนึงเพราะว่าเวลามาันจะหมด เมื่อเวลาจะหมดก็ขออัมลาวันดาวสาวกุโองค์สมเด็จพระบรมคนเทียงค์ตนมีสวัสดี